สภปะติทานคาถามุมยังสภปะติทานคาถาโยปนามะเสปโญนยาสิธานิกาตตาญานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนหุนตุ สัตตานันตาประมาณการสัตว์ทั้งลหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจา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 หรือไม่ได้เห็นก็นดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เว้นกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเกจกะจตุโวการาสังสารตาภาวาภาเว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 อนุโมทันตุเตสยามเยจิมังณปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตเหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตเหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตเหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มะ<า>ยาทินานุปญญาณ์อนุโมทนาเหตุนาสัเพสตาสัทาหุนตูอเวราสุขชีวิตโนเขมาปทานจะปปนตูเตสะสาสิจตังสุภา เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจงถึงบทอันกเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด